สเปซลี่ท่านอาจารย์เจ้าวาดเนอะน้อย mm hmm. การนมัสการที่ให้ที่อยู่อาศัยและตอนรับนักปฏิบัติธรรมเขาอย่างดีแล้วก็มีเรื่องหนึ่งขน่อยจับใจหลายที่ในวัดนี้เพราะว่าท่า <c oughs> นอาจารย์พนเป็นภูอ่าเอาก็นายวัดวาพนี ด, ดีและสะอาดหลายขน้อยไปหลายมองหลายทีก็จัดลิบิดนก็หลายครั้งแต่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 น้องบอกว่าโอ้สาถุเป็นสากลจริงๆทําได้ทุกสถานที่ทุกอาการทุกเวลาได้หมดเลยแล้วถ้าเข้ามาครองจิตใจคนไหนล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้น้องรู้ได้ว่ามันหลุดที่สิ่งเก่าๆที่น้องมีนะคือคือพิธีรีตองนี่ออกหมดเลยขอมอ้อนวอนหรือสัตว์อะไรนี่นะน้ำมนน้ำมันอะไรนี่มันหลุดออกหมดเลยไหว้พระ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 เขาต้องเปลี่ยนเองสัก่อนแล้วเราจะได้สัมผัสเองแล้วเราจะรู้เองเห็นเองด้วยตัวเราเองใครจะมาบอกว่าเจ้ารูปรูปรูปนามแล้วนะก็ยังบอกไม่ได้ไมตตคูบะอาจารย์บอกเราก็ยังบอกไม่ได้เรารู้ด้วยตัวเราเองเพราะเรารู้เราทำถูกเราก็รู้ว่าทําถูกเราทำผิดเราก็รู้ว่าทำผิดถ้าํารู้ทำผิดแล้วยังมีอีกว่าเราลดละมณทิตทลงได้ไหมขอโทษได้ไหมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราได้ไหมนี่ตรงนี้มันสาคัญ